คำว่าทรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งที่จะรับความละเอียดอ่อนของทมได้ก็คือใจเท่านั้นตาหูจมูกกิ้นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือรับเข้าไปสู่ใจ ทำแท้สถิตได้ที่ใจแห่งเดียวรับสัมผัสได้ที่ใจแห่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงฝึกฝนตรมาณพระไทยหมายถึงใจของพระองค์ที่ในระยะนั้นก่อ เป็นจิตใจที่สะกะปรกอยู่ด้วยสิ่งลกลุมลังทั้งหลายเช่นเดียวกับใจของพวกเราเราท่า น, นการฝึกฝนอบรมหรือการฝึกทรมานนั้นเหมือนกับการชะล้างสิ่งสโปรกภายในจิตใจอันเป็นค่าสิทต่อธรรมออกไปโดยลงดับธรรมจึงจะสามารถ แทรกเข้าไปสู่จิตใจนั้นได้เพียงแต่การปฏิบัติให้ใจได้รับความสงบเราก็พอทราบได้ว่าขั้นแห่งทำขั้นนี้คือความสงบสบายใจตามธรรมดาของใจจะหาความสงบโดยลำทังตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากขณะที่หลับสนิทเสียเท่านั้น คือระยะ น, นั้นธาตุขันก็หยุดทำงานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เป็นเครื่องมือของใจและงับจากการติดต่ออายุขนภาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆในขณะที่หลับสนิทนั้นที่เรศทุกประเภทก็สงบตัวไม่ทำงาน ใจจึงมีความสงบเพราะธาตุขันธ์พางให้สงบแต่ใจสงบด้วยการบําเพ็ญเช่นเรานั่งภาวนานี้สงบลงได้ด้วยการอบรมหรือการฝึกฝนพระพุทธเจ้าจึงทรงฝึกฝนอบรมจริตใจจนควรแก่ทาขั้นนั้นๆและควรแก่ทาอย่างยิ่งได้แก่ยิ้มุติบุดพ้น เอนิพานธรรมเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการที่ทรงดำเนินอย่างไรถึงได้ประสบธรรมเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นมาจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมและทรงแสดงทั้งผลที่ได้รับมาม า, มากน้อยจนถึงลิมิติธรรม อย่างอาจหารเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้ทราบประจับพระทัยมาแล้วทั้งวิธีการบำเพ็ญวิธีการนำหนึ่ทั้งผลที่รับจากการบำเพ็ญนั้นทั้งวิธีบุกเบิกสิ่งที่รกดวงรางภายในใจด้วยวิธีการใด ก็ทรงทราบในทางป่ายเหตุโดยสมบูรณ์ผลที่รับขึ้นมาเป็นลำดับลาดับก็ทรงทราบและทราบผลอันสมบูรณ์ภ า, ายในพระไถยแล้วจึงได้ประกาศทำสอนโลกในธรรมท่านยกมโนปุพังขมาธรรมามโนสิตฐานมโนมยาขึ้นเป็นหลักฐานเป็นประทานหลักของศาสนาแท้จิงที่สมควรแกร่ศาสนาแท้ หรือแก่ทำแท้ได้แก่ใจทำทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญนักทันยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำแม้จะมีอยู่ตลอดอนันตการมาจนกระทั่งปัจจุบันและจะมีตลอดไปตลอดอนันตการก็ตามทำก็สักแต่ว่าทำไม่มีความหมายในผู้หนึ่งผู้ใดเลย จึงต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่จะสามารถเข้าถึงธทรรมให้มีความหมายแก่ตนเองคือใจท่านจึงสอนให้อบรมเฉพาะอย่างยิ่งพิตารภาวนาเป็นสําคัญที่จะให้ทราบแง่หนักเบายาละเอียดของธรรมเป็นขั้นๆไปและรวดเร็ว ยิ่งกว่าวิธีการอื่นใดในการบาเพ็ญกุศลทั้งมวลและเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งมวลด้วยรวมลงที่ใจกุศลผลบุญที่เกิดจากการให้ทานก็ดีเกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็ดีรวมลงไปสู่จิตตะภาวนาคือกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลาย ท่านจึงสอนหลงที่ใจธรรมธรรมมีอยู่ทั่วไปนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุหรือสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกถึงเราทั้งหลายก็มีเครื่องรับตามประเภทของสิ่งนั้นๆเช่นรูปเข็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็สามารถรับทราบได้ด้วยตาเสียงสามารถรับ ทราบได้ด้วยหูกลินสามารถรับทราบได้ด้วยจมูกรสชาติต่างๆสามารถรับทราบได้ด้วยลิน้นสิ่งที่มาสัมผัสเย็นน้อนอ่อนแข็งต่างๆสามารถซับทราบได้ในทางกายคือเข้ามาสัมผัสตรงนี้อารมณ์ต่างๆดีชั่วสามารถรับทราบได้ภายในใจและทำ แค่นั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวใจจริงเป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ทรรมอย่างนี่งท่านจึงสอนให้ปฏิบัติใจชำระภาชนะอันดีนี้ใจนี้ให้เป็นของสะอาดเหมาะสมกับทมนั่นๆที่จะเข้าถ้าถิ่อยู่ได้ <c oughs> ผู้อบรม ภ, ภาวานา <c oughs> ใจที่ยังไม่สงบให้พึงทราบว่ากิเลสยังไม่สงบกิเลสยังดื้อด้านอาจหานต่อธรรมขับไล่ธรรมคือสมาธิธรรมภาวานาธรรมของเราซึ่งกำลังบําเพ็ญอยู่เวลานั้นให้ปรากฏผลขึ้นมาไม่ได้ ยี่เหลียดมีความกระหายมีกำลังมากใจจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ภาว น, นาพึงทราบเอาไว้ตรงนี้และพยายามทรรมฝึกฝนอบรมปิดใจของตนด้วยสมถะสมถะธ ร, รรมเช่นกำหนดทรรมบทใดก็าตามพุทโธธรรมโมสังโฆ หรืออนาปานสติเป็นต้นที่เหมาะกับจดิตนิสัยของตนถนัด ก, กับทำบทนั้นๆแล้วน้อมเข้ามาสู่จิตใจบริกรรมอยู่กับรำรบทนั้นหรือกําหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเราจะตั้งจุดแห่งลมคือความรู้ของเหล่านี้เข้าไว้ในจุดใด ที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนการหายใจเข้าออกลมที่สัมผัสมากกว่าเพื่อนก็คือดั้งจมูกเราตั้งความรู้ไว้ที่ตรงนั้นลมผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้ลมนั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจผ่านเข้าผ่านออก โดยไม่ต้องตามเข้าไปกับลมไม่ตามออกไปกับลมเหมือนกับคนยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปและไม่ตามเขาออกไปให้รู้อยู่ตรงนั้นจิตเมื่อมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับความสัมผัสของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกโดยมีสติควบคุมไม่ส่งไปที่อื่นแล้ว ย่อมจะสงบตัวเข้ามาเพราะจุดที่ผูกใจไว้ได้แก่ลมนั้นเป็นจุดที่จะรวมกระแสของจิตทั้งหลายเข้ามาสู่จุดนั้นทั้งหมดความรู้จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นลมจะละเอียดเข้าไปโดยลำดับการกำหนดลมเป็นอารมณ์ของใจนั้นเพื่อให้ใจได้ยุด ลมนั้นไม่ใช่เราภาวนาเพื่อเอาลมและไม่ใช่เอาภาวนาเพื่อเอาคำบริกรรมนั้นๆเป็นแต่เพียงว่านำคำบริกรรมนั้นๆเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจเมื่อยังไม่สามารถทรงตนได้โดยลำังฉะนั้นท่านจึงสอนให้นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งก็าตามที่เหมาะกับจริตท้องตนเข้ามาบริกรรมโดยความมีสติให้รู้อยู่กับคาบริกรรมนั้นๆ ในขณะภาวนาอย่าให้เผลอเมื่อความรู้ได้ดูกับทำบทใดจดจ่ออยู่ต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอแล้ว mm. กระแสของความรู้ที่เคยสร้างเอาไปในที่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะปรากฏเป็นจิตที่เด่นดวงขึ้นมา mm. เมื่อเด่นดวงขึ้นมามากจนถึงขั้นสงบตัวเข้ามาปรากฏแต่ความรู้ล้วน ไม่มีกระแสจิตจงออกไปในทางทิศใดเลยแล้วเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบจนเด่นชัดรู้ได้ชัดว่านี้คือจิตสงบนี้คือตัวจิตแท้รู้อยู่เด่นแด่นคำบริกรรมกับจิตก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าพุโทโธกับจิตคือผู้รู้นั้น จะบริกรรมมาพุโทโธหรือไม่พุโทโธคำรู้ก็เด่นดวงอยู่โดยลาทังตนเองเวลานั้นคําบริกรรมคือพุโทโธก็หมดหน้าที่ไปคือจิตทรงตัวเองได้แล้วจนกระทั่งจิตพอแก่การหรือพอแก่กาลังของตนที่จะดิุดสงบได้มากน้อยหรือนานเพียงไรแล้วเคลื่อนไหวตัวออกมา หากจะทำต่อไปเราก็ตั้งคำบวญกรรมเช่นเดียวกับที่เคยทำมาแล้วนั้นนี่เรียกว่าจิตสงบสมาธิธรรมคือความสงบได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วภายในใจแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ชื่อความสงบในตำหนับตำลานั่นคือชื่อของถของความสงบแล้วความพุ่งสร้างลาคาญ เป็นทุกข์ภายในใจก็มีอยู่ในตำรานั่นคือชื่อของความฟุ้งซ่านของใจตัวฟุ้งซ่านแท้คือใจของเราทีนี้เราก็มาทราบชัดในความสงบของใจจะกําหนดทำบทไดก็าตามผลเมื่อถึงขั้นสงบแล้วเหมือนกันเช่นกําหนดอนาปานสติเมื่อถึงขั้นสงบแล้วลมหายใจก็แผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไป จนกระทั่งปรากฏว่าลมหายใจที่แผ่เบาลงไปโดยลำดำับนั้นได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่เหลือแต่ความรู้ล้วนๆหนักแต่การภาวนาอนาปานาศาศาสตินี้มีปัญหาอยู่หน่อยตรงที่เราถือลมนั้นเป็นอารมณ์ของใจเมื่อลมหายไปทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่ ว่าลมนี้ละเอียดไปเดิมดับดับจนหายไปประจักษ์ต่อใจของเราเองจะเกิดความวิตกขึ้นมาว่าอ้าวนี่ลมหายไปแล้วจะไม่ตายหรือนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะสร้างอุปสรรคให้เราเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติไม่ต้องสร้างปัญหาขึ้นให้แก่ตัวเองให้เสียผลประโยชน์ถึงทำความเข้าใจไว้ว่า ถึงลมจะหายไปก็ตามความรู้ที่เด่นดวงอยู่นี้ไม่ได้หายไปความรู้นี่แหละเป็นผู้ทรงร่างกายนี้ไว้ตั้งแต่บานเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้ลมจะหายไปแต่ความรู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาไปได้หายกังวลในลมที่หายที่ดับไปนั้นเสียเหลือแต่ความเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในใจทรงอยู่กับความรู้นั้น จิตอยู่กับความรู้อันนั้นจนกระทั่งควรแกการหรือกำลังของจิตขั้นนั้นแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็ปรากฏขึ้นมาตามเดิมนี่คือผลที่ปรากฏขึ้นจากการภาวนาที่จิตเป็นไปเช่นนั้นไม่ได้พอให้พึ่ทราบว่าเวลานี้กิเลสมันกำลังรุกรานหรือมันกำลังมีกำลังกล้าเราจึงยังต่อสู้มันไม่ได้ ใจจึงไม่สามารถจะสงบได้เพราะถูกกิเลสฟาดกิเลสเบี่ยงไปในแง่นั่นแง่นี้อารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตยุ่งไปหมดเพราะกำลังของกิเลสมีมากกว่ากำลังของสติปัญญาความเพียรของเราที่จะเหนี่ยวรั้งจิตให้เข้าสู่ความสงบได้เราก็พึงทำความเข้าใจเอาไว้อย่างนี้นี่คือผู้ปฏิบัติธรรมมันจะพุ้งสร้างขนาดไหนก็ตามเถอะ ถ้าลงได้มีการต่อสู้กันอยู่แล้วจะต้องเห็นผลวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยทำความเข้าใจกับตนไว้เช่นนั้นนี <c oughs> ่หลายครั้งหลายผลเข้าไปจิตย่อมสงบตัวได้พอสงบตัวได้แล้วเป็นสักขีพยานว่าอ้อคำว่าความสงบความเย็นใจ ความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบซึ่งได้ เ, เคยได้ยินแต่ชื่อแต่นามทั้งในตำราและครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านเล่าให้ฟังหรือท่านเทศนามาการนั้นแบบนี้ได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้วภายในใจของเราผู้บำเพ็ญภาวนาเสียเองนี้ความสงบเป็นเช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นจากความสงบก็คือความสบายเบาวหมดในใจของเราเมื่อสงบมากยิ่งกว่านั้น ร่างกายนี้ก็หายไปหมดจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้เด่นไม่ทราบว่าสูงหรือต่ำไม่คำนึงคำนวณไม่คาดไม่คิดมากไปยิ่งกว่าปัจจุบันนธธรรมที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นดวงนั้นได้จากความรู้อันเดียวไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละอยู่กับตรงนั้นนี่คือความสงบของใจเกิดขึ้นจากคิตะภาวนา ใจนั้นสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมการเหนี่ยวร่างด้วยวิธีการต่างๆโดยอาจโดยธรรมไม่เช่นนั้นจะสงบไม่ได้จนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนไปก็สิ้นไปเฉยๆหาความสงบไม่ได้วิธีการที่จะทาความสงบจึงไม่นอกเหนือไปจากทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นเรื่องสมาธิภาวนา ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเมื่อกักคู่นี้นี่ยิเล่ จ, จะพุ่งสร้างขนาดพาพุ่งสร้านคัดเสียงจิตจใจของเราให้ไปกี่ทวีก็ตามไม่ทนต่อความฝึกฝนพลานไม่ทนต่อการเหนี่ยวรั้งด้วยอัดด้วยทำด้วยวิธีการของสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งเราไปได้วันหนึ่งที่เราจะต้องได้เจอความรู้อย่างเด่นดวงซึ่งในขณะนั้น ไม่อยู่ในวิสัยของพิเดศจะมาควบคุมพิเดศก็สงบตัวไปจิตก็สงบตัวได้เพราะสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นผู้รักษาหรือเป็นผู้บำรุงจิตใจนี่เป็นขั้นที่เห็นได้ชัดท่านเรียกว่าสมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งธรรมซึ่งเคยมีอยู่ในโลก นี่มานานแต่ไม่มีผู้ใดจะสัมผัสสัมพันธ์ได้นอกจากใจผู้ผปฏิบัติตัวเองให้ถูกทางสมควรที่จะเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับความสงบนี้ได้ตามขั้นภูมิของตนก็ปรากฏขึ้นทีนี้ท่านว่าปัญญาธรรมคืออย่างไรคำว่าสมาธิได้แก่วความสงบเมื่อสงบเป็นหลายครั้งหลายหนแล้ว ก็สามารถสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในตนได้จนกลายเป็นสมาธิอยู่ทั้ ง, ท, งทั้งที่ไม่ภาวนาจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจเราชิดอ่านใจตรองอะไรก็ได้กระแสะของจิตชิดได้คิดไปทางไหนก็ได้แต่ฐานของจิตไม่ละความมั่นคงนั่นเรียกว่าจิตมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วภายในใจของผู้ปฏิบัติมีขั้นปัญญา ตามหลักแห่งการปฏิบัติหรือครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก็ไม่ผิดอะไรกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าสมาธิปริภาปริภ า, าวิตาปัญญามหพลาโมติมหานิสั่งสร้างสมาธิเป็นเครื่องห น, นูปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มเม็ดเต็มหนวดนะปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิยมุตติ ปัญญาเป็นเครื่องตัดมากปัญพิเลธทั้งหลายให้ขาดออกไปโดยลำดับจนสามารถจังจิตให้หลุดพ้นได้โดยชอบธรรมนัเป็นขั้นๆอย่างนี้ปัญญาต้องเป็นปัญญาสมาธิต้องเป็นสมาธิถ้าเรามีแต่สมาธิมีความเยอเือกเย็นภาในใจ อยู่แค่สมาธิไม่สนใจพิจารณาทางด้านปัญญาเลยปัญญาก็ไม่เกิดอันคำกล่าวอย่างหนาหูชินปากชินใจของคนนั้นมีอยู่ทั่วไปในวงพุทธศาสนิกชนแต่จะถือเอาประมาณอย่างแน่นอนนั้นถือได้ยากนอกจากจะถือเอาจากวงผู้ปฏิบัติซึ่งได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโจนเท่า น, านั้นเพราะฉะนั้น คำว่าสมาธิจึงเป็นสมาธิอย่างตายตัวหากเราไม่ได้สนใจพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาจะไม่เกิดแม้จะมีสมาธิเต็มภูมิก็เต็มภูมิตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งวันตายจะมีแต่เพียงสมาธิเท่านั้นปัญญาจะเกิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองนั้นไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้หลักการปฏิบัติท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาในทั้นการที่ควรจะใช้ปัญญา พิจารณาเรื่องธาตุแข็งขันเรื่องสกุลกายในสกลกายนี้มีอะไรบ้าง hmm. ดูสกุลกายของเราสกุลกายของคนอื่นต่างอื่นเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังหน้าตาอาศุพะอาุพังไม่มีอะไรบกพร่องในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลทั้งนั้นพิจารณาแยกแยะดูตลอดถึงว่าคำว่าอนิจจัง แปรอยู่เสมอถ้ามีสติถ้ามีปัญญาพลิกิพจพิจารณาตามความจริงนี้แล้วเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอนิจจังทุกขังหนาตาที่แสดงอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเราตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเขาทำงานอยู่ตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแม่หลับสนิทเขาก็ทำงานของเขาคือแปรสภาพเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆทุกรังก็เหมือนกันหนาตา เป็นธรรมชาติอังกลางๆ <c oughs> จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของใครของเขาที่ไหนไม่ได้ทางนั้นเป็นความผิดจากหลักธรรมชาติความจริงของเขาที่เรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงว่าพิเรสมันเสดสันต์ย่อให้เราว่าสวยว่างามว่าแน่นหนาท้าวร ว่าเป็นสุขว่าจีรังถาวรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขานี่คือความเที่ยมสอนของกิเลสมันเที่ยมสอนผิดจากธรรมปีงเปียวกันกับธรรมเสมอไปขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมแล้วไม่ลงรอยกันกิเลสเป็นฝ่ายต่อสู้ธรรมเสมอเป็นฝ่ายทาลายธรรมด้วยเหตุนั้นใจของคนเราจึงหาธรรมได้ยากโดยลาพัง จึงต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนการชำระซักพ่อที่เรียกว่าการบําเพ็ญใจจึงจะเป็นใจขึ้นมาทำจึงจะเป็นธรรมขึ้นมาและจะทราบเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใ จ, จิตใจมาดั้งเดิมว่าเป็นอย่างไรบ้างให้โทษให้คุณแก่เราอย่างไร <c oughs> แถวแนวของกิเลสนั้นมันหลอกลวงสัตว์โลกให้ลุมหลงไปอย่างไรบ้าง <c oughs> มันหลอกลวงให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ดีใจเสียใจ เราเชื่อมันอย่างสนิทสนิทเพราะเคยเชื่อมานานด้วยเหตุใดเหตุที่เราไม่สามารถมีสติปัญญาที่จะที่จะหนาตามความเคลื่อนไหวหรือการเที่ยมสอนการอบรมหรือกลบอุบายของมันได้นั่นเองจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมด <c oughs> มันสิงเข้ามาเป็นตัวของเราเสียทั้งตัว ก็เป็นเราเป็นของเราร่างกายทุกสัตว์ทุกสฝูงก็ว่าเป็นเราเป็นของเรามาเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาไปเสียหมดมนี่แทร้ทำของพระพุทธเจ้าหรือลบล้างทำคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เสียโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจิตที่เดินไปตามกิเลสฉุดลากนั้นจึงต้องได้รับความทุกข์ความลําบากลําบนแต่ก็ไม่ทราบว่าลําบากเพราะเหตุใด มากกว่านั้นก็บน่นเท่านั้นเองหาได้รู้ไหมว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลําบากต้นเหตุก็คือความลุ่มหลงไปตามกลมายาของจิเลศซึ่งฝังอยู่กับภ า, ายในหัวใจของเรานี่แหละเ <Agre ed. S 1> <Democrat. S 2> มื่อมีธรร <S <S มรรมีสมาธิธรรมก็เป็นเครืร่องวัดกับความฟุ้งซ่านอันท้าให้เกิดทุกข์ได้เพราะความสงบนี้เป็นสุขนี่เป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาและเป็นเครื่องเทียบกับความฟุ้งซ่าน ถ้าจะเลือกเราจะเลือกอะไรขึ้นความฟุ้งซ่านก่อความลำคาญให้เกิดทุกข์นั่นคือเรื่องของกิเลสความสงบก่อเหตุให้เกิดความสุขความสบายเพราะการบาเพ็ญของเรานี่เราพอเลือกได้แล้วเพียงขั้นนี้นี่คือธรรมเมื่อมีธรรมขึ้นมามากน้อยย่อมจะเป็นเครื่องเทียบเทียงกันกับกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหะพอเหมาะพอสมพอจะรู้เรื่องของกันได้โดยนำดับ ยิงมีปัญญาพิจารณาทดสอบเนเรื่องอานิจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องสุภะอตุภะความสวยความงามความกีรังท้าวรไม่ถาวรสติปัญญาพิจารณาไปตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ซึ่งเป็นความถูกต้องอยู่แล้วเรียกว่าสุขขาตธรรมนั้นย่อมจะทราบความขัดแย้งของกิเลสที่มันเที่ยมสอนต่างๆภายในขันห้าของเรานี้ก็ทราบเบ็ดชัดกิเลสสอนไปอย่างหนึ่ง ทำสอนไปอย่างเช่นรูปวิเลศสอนว่าเป็นเราเป็นของเราวิเลศสอนว่าเป็นสุขทั้งๆที่เป็นทุกข์แทบล้มแทบตายกิเลศก็บอกว่าเป็นสุขหน้ารื่นเริงบันถึงเนี่ยอนัตตามันเป็นสภาพของกลางๆไม่ใช่ของใครของเราวิเลศก็บอกว่านี่เป็นของเรากายเป็นของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่เป็นอ่า อ น, นิจจังไม่ใช่เป็นทุกขังไม่ใช่เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นสุขขังเป็นอาตาัต่านั่นคือกิเลสมันสอนอย่างนี้สัญญาสังขาร ย, ยาัญญาณมันสอนเหยียบย่ําทําลายทําไปทั้งนั้นนี่คือเรื่องของกิเลสทีนี้เมื่อเราใช้ปัญญาทางด้านธรรมะเราจะทราบความฝ่าผืนของกิเลสเราจะทราบความจําปลอมของกิเลสว่ามันตั้นขึ้นมาต่างหากไม่ใช่พูดตามความจริงสอนตามความจริงเหมือนธรรมที่ท่านสอนไว้ธรรมท่านสอนไว้ว่า รูปังอนิจจังนัง่นังเวทนาอานิจจาคือเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ตามมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเวทนาอนิจจาสัญญาอานิจจาความจําได้หมายรู้ต่างๆมันก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสังขาราอานัตตสังขาราอานิจจานสังขารความคิดความปรุงหรือสังขารร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงโดยการทั้งนั้นวิญญาณังอนิจจังความรับทราบจาก ทางรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางหูตาจมูกลิ้นกายทั้งเรามันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาด้วยการทั้งนั้นเมื่อสรุปความังแล้วขันทั้งห้านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตาอายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายจนกระทั่งถึงจิตมันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังตาด้วยกันทังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตา นี่เป็นเรื่องของธรรมเรื่องของปัญญาพิจารณาไก่กองต่ำนี้ผิด ก, กันกับเรื่องของกิเลสที่แทรกแซงหรือเหยียบย่าทําลายธรรมเป็นไหนๆแล้วเราก็สนุกทดสอบเมื่อเรามีปัญญาสามารถต่อแทรกเข้าไปพิจารณาขัดแย้งกับกิเลสไปเรื่อยๆต่อสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสว่าอย่างนั้นธรรมะว่าอย่างนี้เราจะเชื่อกิเลสเราจะเชื่อหรือเราจะเชื่อนีง ธรรมคือความถูกต้องมีงามเป็นตามหลักความจริงกิเลสคือสิ่งจอมปลอมมาหลอกมาลวงทั้งสิ้นคนมายาทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสธรรมเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาบเป็นไปตามความจริงพูดตามความจริงสอนตามความจริงเวลารู้ว่าเวลาเห็นก็เห็นตามความจริงหนักมันขัดกันตรงนี้ระหว่า ง, งกิเลสกับธรรมเมื่อมีปัญญาพิณิพิจารณาดังที่กลา่าวมา น, นี้ย่อมจะสามารถทราบคนมายาของกิเลสทั้งประเภทอยา่าประเภทกลาง ประเภทละเอียดด้วยปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งสามารถสลละละได้อรูปภายในร่างกายของเรานี้ที่เคยรักเคยสงวนมาตั้งแต่วันเกิดโดยไม่มีใครบอกให้รักให้สงวนให้ยึดมั่นถือมั่นกิเลสมันบอกเองพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้บอกแต่กิเลสภายในจิตใจซึ่งมันชินชากันมาแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันสอนให้กลมกลืนเป็นเรื่องของมันไปหมดแต่ เวลาเราใช้ความพิณิพิจารณาแล้วเราก็ทราบได้ชัดทราบจนถึงขั้นที่ว่าปล่อยวางได้ทั้งๆ ท, ที่แต่ก่อนเรายึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรจะมั่นยิ่งกว่ายึดขันคือรูปประขันเป็นต้นแล้วมันก็ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาอย่างขาดสะบัน้นทัดภายในตัวทั้งๆที่มีชีวิตอยู่ก็ここเห็นได้ชัดอุปทานความยึดมั่นในรูปก็ขาดไปเพราะอำนาจของปัญญาเมทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายใน ร่างกายและเกิดขึ้นภายในปิดมันก็สามารถทราบราคาทีแรกก็ขาดไปภายในขันใช่ก่อนฉุกทุกเฉ ย, ยเกิดขึ้นภายในนี้ขาดไปในขัขขขนขั้นนี้ก่อนยังไม่ถึงจิตก็ตามแต่ขาดแต่ตามขั้นของปัญญาที่พิจารณาได้สัญญาความจําได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจําแล้วก็หายไปหาไปรู้ได้ชัดแล้วยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร มันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วต้องปล่อยปัญญาทั้งขานวิญญาณเหมือนๆกันินกระทั่งถึงว่าสุขทุกข์เท็เฉยที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเอเปรขาเวทนาภายในใจิตใจอย่างละเอียดมเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปในขันห้าจนตลอดทั่วถึงแล้วแม้จะเคยยึดถือมาตั้งแต่บันเกิดก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเเปิด ไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้นความมืดหายไปหมดนี่พอปัญญาของเราได้พอตัวแล้วความมืดหนาสาหดไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมันก็กระจ่างไปเลยทันทีความมืด น, น, นั้นหายไปหมดมีแต่ดวงปัญญาท่านจึงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไ ม, นม่นันี่ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสขาดสะบั้นไปหมดภายในขันเรียบ ไม่มีอะไรเหลือไม่ไม่ติดต่อสืบเนื่องกันได้กับใจระหว่างใจกับขันขาดกันให้รู้ได้อย่างชัดเจนด้วยภาคปฏิบัติมีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบมีปัญญาเป็นเครื่องตัดฟันย่อมจะรู้ชัดในสิ่งที่ขาดจากกันแล้วนี่เป็นขั้นหนึ่งเหล่านี้ก็ขาดด้วยปัญญาทีนี้ขั้นที่ละเอียดสุดได้จากกิเลสที่ละเอียดสุดสุขก็ละเอียดสุดภานจิต ทุกกะละเอียดสุดภานาจิตเนี่ยผู้เปกหากระละเอียดสุดภานาจิตนี่จะเอาปัญญาขั้นดังมาแก้ก็ปัญญาที่เหมาะสมซึ่งควรจะรู้กันกับสิ่งอันนี้ท่านเรียกตามข้างพุทธการท่านเรียกมหาสติมหาปัญญาผู้ปฏิบัติจนมีสติปัญญาอันเตียงไกลแล้วย่อมเป็นสติปัญญาอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องบังคับบัญชากําหนดพิจารณาเองทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่นนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นแล้วที่เลตตัวไหนจะค้นอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ได้เล่านะพิจารณาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปปัญญานี้เป็นเหมือนกับไฟที่เลตเป็นเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนเช่นฟืนห ร, หรือไม้แห้งนี่ ไฟก็ไหม้เข้าไปลูกรามเข้าไปลูกรามเข้าไปที่เละมีอยู่ตรงไหนสติปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปลูกรามเข้าไปตัดประทันแผดเผาเข้าไปแผดเผาเข้าไปแผดเผาส่วนภาย น, นอกหมดขาดตัดประพานกันแล้วระหว่างตากับหูจมูกดิ้นกายกราบรูปเสียงมือลดเครื่องสัมผัดตัดขาดแล้วด้วยปัญญาขั้นนั้นนระหว่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนเองภายในร่างกายของตนเองก็ขาดลงไปด้วยปัญญาอีกขั้นหนึ่ง ยังเหลือตั้งแต่จิตทีนี้มีอะไรอย่ในจิตนั่นแลตัวพบตัวชาติแท้ตัวอวิชชาปัจจาสารา้างขานาพาให้เกิดอยาเจ็บตายแท้แทเข้าไปรวมตัวอยู่ภายนจิตเพราะถูกตัดขาดจากความสืบต่อภายนอกแล้วภายในขันก็ขาดแล้วแล้วขันกับ อ, อนี่กับภายนอกก็ขาดจากกันแล้วยังเหลือแต่จิตเมื่อยังเหลือแต่จิตก็มีแต่อวิชชาที่เป็นธรรมละเอียดสุดยอด ของกิเลสที่เดียวรวมอยู่ภายในจิแล้วอะไรจะสามารถทราบได้กก็ไม่พ้นปัญญาจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปนี่สติปัญญาขั้นนี้ทดสอบเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งแยกแยะกันได้มีก็คือตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเช่นเดียวกันนี่คือตัวเป็นภัยยอดไตรยอดกองทุกข์อยู่ที่ตรงนี้อันละเอียดทุกขุม ราชาแห่งมตัตตจักอยู่ตรงนี้น่ะขีเลห์ขีเลอันละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ที่ตรงนี้น่สติปัญญาก็ละเอียดอ่อนที่สุดได้แกแม่มหาสติมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญาญาณขึ้นมาฟาดฟันทันแหลกจุดที่ให้เกิดพบเกิดชาติภาในใจนั้นแตกกระจายออกไปไม่มีขีเลหตัวใดเหลืออยู่เลยเหลือตั้งแต่กิจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนนั่นแหละ ปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนกงจักรหรือว่าเหมือนธรรมจักรก็ยุติลงในจุดนั้นเพราะข้าศึกได้ขาดสะบั้นหันแหลกไปหมดราบไปหมดแล้วการรบระหว่างจิตกับที่ระหว่างสติปัญญากับกิเลสได้ยุติกันลงที่ตรงนั้นอันในที่นี่ที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอันใดที่เราต้องการ เราลบฟันหันแหลกกันมาเอาเป็นเอาตายว่ากันมาโดยลำดับแรกกันมาโดยลำดับชีวิตแรกมาเดิมดับมาถึงจุดไหนจึงเป็นจุดที่ยุติกันอย่างขาดสบั้นไม่มีเครื่องสืบต่ออีกไปก็คือจุดนี้เมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกกิตติอวิชชาขาดสบั้นออกจากใจแล้วเป็นอันว่ายุติในการรบกับกิเลสทั้งมวล ในหลักธรรมท่านว่าบุติตังพระมจริยังกตังกัลริยังนาพลังอิสตายาติประชานาตินี่จิตของเราที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกนั้นได้ยุติกันแล้วในจุดนี้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วเป็นอันว่าไม่มีงานใดทํางานที่ทํายากที่สุดก็คืองานต่อสู้กับกิ่เลสงานรบกับกิ่เลส ที่เลอได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากใจจึงหมดเท่านั้นง่ะเหลือแต่รยมุตหลุดพ้นภายในจิตล้วนๆเห็นประจักษ์ในขณะนั้นโดยไม่ต้องถึงกับตายจึงต้องเห็นกันเห็นกันชัดๆในที่นั้นที่นี่จิตดวงที่เคยสกระปรกโฉมมาแต่ก่อนกับจิตดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างเทียบกันแล้วเทียบกันไม่ได้เลยจิตดวงนั้นก็คือจิตดวงนี้แหละเป็นแต่เพียงว่าเครื่องหุ้มหอบ ปกคุมจิตนั้นอ่ะมันหนาแสนหนาจนมองหาจิตแท้ไม่เจอนีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหงลงราคะตันหาเต็มไปหมดพายในจิตนี่เป็นสิ่งที่ศกปิ์เระร ม, มมันหุมห่อจิตเดิมไว้จึงิงจริงเ่านี้แหละมันหลอกสัตว์โลกให้มองโน้ น, ม อ, น, อนมองนี้มองไกลๆไม่ได้มองหามันเลยมันหลอกให้มองอันนั่นก็ดีอันนี้ก็สวย อ, อันนั่นก็างามมองไปจน ก, ก ร, ระทั่งว้าป่าช้าจะไม่มี วันตายของเราจะไม่มีโลภก็โลภตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีวันเอื้มอิ่มพอจะอิ่มพอยังไงกิเลสไม่เคยอิ่มพออับอะไรสักอย่างเดียวนี่เอออันไหนจะเป็นตัวเก่งยิ่งกว่ากิเลสความโกรธความหลงกับมันกันไม่มีวันอิ่มพอพอทําทําลายก็ไปเสียหมดแล้วถึงทําขั้นอิ่มพอแล้วนั่นแหละใจจึงจะมีความผาสุขสบายเต็มที่ไม่มีความสุขอื่นใดในโลกนี้ จะเสมอเหมือนความสุขที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดท่วงกดถีบ่บังคับบีบรัตคือกิเลสทั้งหลายเมื่อหลุดพ้นจากเครื่องจองจําทั้งหลายนี้แล้วก็ประกาศภายในจิตทั้งตนได้อย่างตรงแจ้งทีเดียวว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการจะเกิดแต่ตาก็คือเรื่องความทุกทุกแล้วทุกเล่าไม่มีวันหยุดนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่า ดุขัางนับธี่อาชาตัดตะทุกย่อมามีแก่ผู้ไม่เกิดคือไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องทุกเกิดที่ตรงไหนก็ต้องรับธาตุรับขันรับกองทุกประตันตามกันเมื่อไม่เกิดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาทุกมาจากไหนผู้ไม่เกิดคือใครผู้ไม่เกิดนั่นสูญไปไหนรู้อยู่แล้วว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าสูญไปแล้วจะเอาอะไรมาพูดว่าบริสุทธิ์นะผู้นั้นแลคือผู้ไม่เกิด ผู้นั้นแลเป็นบรมสุขผู้นั้นแลคือทำทั้งดวงนะจะว่าจิตก็น่าจะว่าธรรมก็ถูกเมื่อไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขัดแย้งแล้วพูดอะไรได้ทั้งนั้นเพราะทำแท้ทำ บ, บริสุทธิ์ภายในใจแล้วไม่ขัดแย้งตัวเองและไม่มีอะไรมาขัดแยง้งนี่แหละความประเสริฐความยุติแห่งทุกยุติที่ตรงนี้ความประเสริฐของจิตที่เคย เป็นมาแต่ก่อนด้วยความทุกข์ยากทะเกียบตะกายด้วยการบําเพ็ญ น, นั่นเป็นประเภทหนึ่งกลายเข้ามาเป็นจิตดวงนี้แล้วนี่แหละจิตเป็นสิ่งที่ชําระเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้พระพุทธเจ้าท่นจึงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นมหาสมบัติยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกนี้จงอย่ามองข้ามจิตให้ดูจิตเสมอ ให้บำรุงจิตเสมอให้มีจิตมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตนเช่นเดียวกับเรามีวัตถุภายนอกสมบัติเงินทองเป็นเครื่องอยู่ของกายเป็นเรือนกายแล้วสร้างทําให้เป็นเรือนใจได้แก่กุศลธรรมแม้เราจะไม่ได้ขาดจากพบจากขาดถึงอรหัสหรหันก็ตามคนบุญไปที่ไหนเกิดที่ใดย่อมเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขครามบายในพบนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็อาศัยบุญที่ตนสร้างมานั่นแหละ เป็นเครื่องสนับสนุนจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยไม่นอกเหนือจากบุญนี้เลยบุญนี้เกิดขึ้นจากคือว่าความสุขเกิดขึ้นจากกุศลได้จากความฉลาดการบำเพ็ญทั้งภายนอกก็ไม่ประมาทเพราะธาตุขันเป็นสิงบุกคล้องต้องการเครื่องเยียวยาเสมอสร้างให้มันหาให้มันทางจิตใจก็เรียกร้องหาความสุขความสบายจากเจ้าของหาเราเรียกร้องหาความเฉลยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสมันบีบคั้นบีบคั้นหรือว่า เหยียบย่ำทำลายอยู่เสมอจึงต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องชัก้างไปโดยลําดับดับจนถึงขั้นสุดยอดแล้ววิเลศขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่บร ม, มสุขนิพพานังปรามังสุ ข, ขังไม่ต้องถามที่ไหนขอให้บริสุทธิ์แล้วก็เข้าใจกันเองหานิพพานแต่หากันที่ไหนความอยากนิพพานอย่างล้นหัวใจแทบล้มแทบตายอย่างล้นหัวใจก็ตามเถอะเมื่อถึงนิพพานแล้วจะหายอยาก เช่นเดียวกับเราหิวข้าวมาแทบล้มแทบตายพอรับทานให้เต็มที่แล้วมันก็หาอยากเช่นเดียวกันความอยากไม่ใช่ของดีเป็นเครื่องรบกวนเพราะความหิวโหวยให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าอยากอะไรไม่ใช่ของดีทางนั้นจึงต้องหามาเยียวยาอยากนอนก็ต้องนอนอยากรับทานก็ต้องรับทานอยากไปนิพพานต้องไปต้องบำเพ็ญเพื่อไปนิพพานเมื่อถึงขั้นเต็มอิ่มเต็มที่แล้วหาอยากด้วยกันทางนั้นความอยากหมดไปนั่นถึงเมืองพอแล้ว ท่านทําที่ได้กล่าวมาวันนี้เพื่อเป็นที่ะระลึกแต่บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์สลักเวลลัมเวลาหน้าที่การงานแม้ชีวิตก็สละพร้อมแล้วถึงได้มาให้ได้ไปเป็นเครื่องะระลึกและบําเพ็ญตนตามสติกําลังหรือเต็มสติกําลังความสามารถที่จะได้สมบัติภายในเข้าบรรจุใจของตนเพื่อต่อพบต่อชาตเป็นอันดีเป็นสุขติ ทั้งอยู่และเป็นสุคติทั้งไปจนกลายเป็นวิมุตติปลดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งกุศลการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขออนติเพียงเท่านี้ <c oughs>